ตื่นได้แล้วนะซะซึมไปซึมใหญ่ซึมซึมนะแบบแต่ฤดูหนาวมาวัดได้อย่างนี้ก็เก่งแล้วล่ะต้องต่อสู้กับแรงดึงดูดของที่นอน <c oughs> ตื่นมาแต่มืดอยยังมาวัดไม่ใช่เรื่องง่ายไหนไหนมาแล้วก็รู้สึกตัว ความรู้สึกตัวเป็นเบื้องต้นของการพัฒนาจิตใจรู้สึกตัวไม่ได้พัฒนาไม่ได้เป็นลืมตัวเองงันจะเคลื่อนไหวนะจะหายใ จ, จะอะไรรู้สึกตัวเลืจะยืนเดินนั่งนอนจะกินอาหารจะขับถนะ่ายรู้สึกตัว เมื่อก่อนมีครูบาจานะรย์องค์นะหลวงพ่อพุธชอบสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดชอบพระพุทธประโยคนี้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้รู้สึกตัวไปเร้ๆ่ๆนี่แหละการปฏิบัติท่มนว่อย่างนี้ท่านสอนด้วยความกล้าหารมากเลยท่านสอนเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยในวงกรรมฐานมันมีแต่ว่าให้นั่งสมาธิเดินจงกรม สอนการแสดงนี้ท่านมาสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพุตธคิดคนถือว่าท่านภาวนาไม่เป็นบางคนดูถูกท่านว่าท่านคงภาวนาไม่ได้เรื่องไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยจริงๆแล้วท่านเก่งนะเก่งทั้งสมาธิเก่งทั้งปัญญาแต่ท่านอักกล้าหารมากท่านสอนเอาแหวกแนวออกมาท่านสอนคนในเมืองท่านมาอยู่ในเมือง วัดป่าสารวันนั้นแต่เดิมมันก็อยู่ในป่าแล้วชื่อก็ชื่อว่าป่าเป็นป่าสาระป่าลังมีต้นลังเยอะต่อมาบ้านเมืองมันขยายกลายเป็นว้านในเมืองไปคนก็ว่าท่านภาวนามไม่เป็นท่านกล้ามากที่สอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทาวุรกิตอีกองหนึ่งที่คนไม่นับถือนะสมัยที่ท่านยังอยู่คนไม่ค่อยนับถือคือหลวงปู่ดูล ไม่นับถือเพราะท่านอยู่ในเมืองกลางเมืองเลยกลางเมืองสุรินเลยที่จริงครูบาอาจารย์สั่งท่านมาให้มาอยู่ตรงนี้ตอนนั้นท่านไปอยู่ทางลบบุรีทางอะไนีอยู่ในถ้ำถ้าน้ําจันทร์ครูบาอาจารย์เรียกให้มาเผยแผ่อยู่สุรินเนี่ยเง้นจริงๆแล้วการภาวนานี่ยมันไม่เกี่ยวกับสถานที่อะแล้วตัวสําคัญเลยคือความมีสติ นี่ถ้าเราภาวนาไม่เป็นหรือคนภาวนาไม่เป็นเขาก็จะไปติดที่รูปแบบต้องนั่งอย่างนี้ต้องเดินอย่างนี้ต้องมีข้อวัดที่ยากลาบากยอมรับไม่ได้นะเรื่องว่าถ้าหิวก็กินถ้าง่วงก็นอนนะที่สตินี่ยอมไม่ได้นะต้องอดกินอดนอนถึงจะดีนะต้องลาบากนั่งสมาธิมากๆเดินจงกรมมากๆทำสมาธิลึก ยิงลืมโลกไปเลยยิ่งดีมาถึงวันนี้มันเปลี่ยนไปมากแล้วคําสอนที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาหลวงพ่อเป็นคนเมืองเกิดกรุงเทพเกิดในกรุงเทพเลยเกิดอยู่ป้อมปราบนะอยู่แถวริมคูเมืองคลองอ ง, งางโตมาในกรุงเทพนะเรียนหนังสือในกรุงเทพทํางานอยู่กรุงเทพจนกระทั่งบวชถึงไปอยู่ต่างจังหวัด ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อเนี่ยสอนในฐานะพวกปัญญาชนพวกคนเมืองไปเจอหลวงพูดลทีแรกท่านก็บอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี่อ่านจิตตนเองท่านสอนต่อ ย, ยอดนะฮะหลวงพ่อพก็สอนยืนเดินนั่งนอนกินดืม่มทําพุทธจิตถ้าเราเข้าใจการภาวนาแล้วนะเราจะพบว่าเนี่ยเป็นยอดของกรรมฐานจริ ง, รงๆเลยกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่เรื่อง นั่งสมาธินานๆเดินจงกรมนานๆเพราะท่านรู้ว่าเราคนเมืองเราไม่มีเวลามากขนาดนนัะ้ไปนั่งสมาธิวันหนึ่งห้าชั่วโมงเอาเวลาที่ไหนทำอาหากินไปเดินจงกรมหลายๆชั่วโมงเอาเวลาที่ไหนทำเอาแรงที่ไหนทาวันๆเหนื่อยจะตายเป็นคารวานะนันท่านสอนการเจริญสติในชีวิตประจาวันให้ทำอะไรก็มีความรู้สึกตัว ยืนเดินนั่งนอนกินดืม่มทำพูดเนี่ยอะไรเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดืม่มทำพูดร่างกายเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดืม่มทำพูดแล้วมีสติเราเห็นร่างกายเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินดืม่มทำพูดใครเป็นคนคิดใจเป็นคนคิดเราเห็นใจมันคิดใจมันคิดไปแล้วมันก็เกิดโศกบ้างเกิดทุกบ้างเกิดกุศลบ้างกุศลบ้างงั้งกนการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ ในความเป็นจริงครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเลยนะรุ่นเก่าๆเลยนะท่านก็ย้ํำนักหนาเลยเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจําวันเนี่ยท่านบอกสาระแก่งสารที่แท้จริงของการปฏิบัติคือการเจริญสติในชีวิตประจําวันเนี่ยเป็นการทําในรูปแบบเลยนะมันการฝึกซ้อมเพื่อจะให้เจริญสติในชีวิตประจําวันได้เข้มแข็งถ้าทิ้งการเจริญสติในชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยอย่ามาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลยยากมาก ว่าชีวิตเราส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกชีวิตเราส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในฌานชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่อย่างปกติอย่ง้ถ้าเราคิดว่าตอนนี้ปฏิบัติไม่ได้เราล้วก็ละเว้นไม่ปฏิบัติจะรอตกค่ำาก็ไม่นั่งสมาธิอยู่นในห้องพระนะถือว่านั่นคือการปฏิบัติวันหนึ่งจะปฏิบัติได้สักแค่ไหนชยการปฏิบัติในชีวิตประจวันนีถ้าทาได้นะก็คือการปฏิบัติอยู่แทบตลอดเวลา ให้บอกอยืเนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดเห็นร่างกายเห็นจิตใจมันทางานไปก่อนที่จะเห็นร่างกายจิตใจทํางานได้จิตต้องตั้งมัน่นตอนที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบานลงผูดดุลท่านเรียกว่าไม่ส่งจิตออกนอกจิตที่ไม่ออกนอกคือจิตที่ไม่เคลื่อนไปจิตที่ตั้งมัน่นรู้เนือ้อรู้ตัวอยู่มีความสุขอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบานางั้นเรามาฝึก ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมาเจริญสติอยู่ในชีวิตประจําวันนี้ให้มากที่สุดเลเห็นร่างกายทํางานเห็นจิตใจทํางานร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดใครเป็นคนทํางานร่างกายทํางานใครเป็นคนสั่งให้ร่างกายทํางานจิตเป็นคนสั่งจะยืนใครสั่งให้ยืนจิตสั่งให้ยืนจะเดินใครสั่งให้เดิน จิตเป็นคนสั่งให้เดินจะพูดใครสั่งให้พูดจิตสั่งให้พูดจะกินจะดื่มใครสั่งจิตสั่งจิตคือตัวสั่งงั้นร่างกายนะั้นเป็นธาตุเป็นลูกมือเป็นลูกน้องของจิตจิตเป็นนายร่างกายเป็นเบาะคือเห็นร่างกายมันทำงานไปจิตเป็นคนดูอยู่นะจิตมันก็สั่งให้ร่างกายทางานไปเรื่อสุดท้ายก็พบว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายเหมือนเครื่องมือนหนึ่งนะที่สั่งให้ใช้งานเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่จิตสั่งให้ทํางานเหมือนรถยนต์นะที่คนขับมันพาวิ่งไปมีแต่รถมันก็ไม่วิ่งมันก็อยู่เฉยๆยิ่งร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเพราะจิตสั่งเพราะฉะนันถ้าเราพานับเป็นนะเราก็จะเห็นถ้าเราดูยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดเราจะเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตไม่ใช่เห็นแต่ร่างกายอย่างเดียว ร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดได้เพราะจิตสัง่งนจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่จิตใจละ่ะจิตใจเราก็มาดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเขาการทํางานของจิตใจจิตเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่มีผัสสะนะตอนที่อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมีอารมณ์เมื่อไรก็มีจิตเมื่อนั้ น, นกระทบกันนะเกิดเกิดจิตขึ้นมา ตาเห็นรูปก็เกิดจิตขึ้นมาหูได้ยินเสียงก็เกิดจิตขึ้นมาจมูกได้กลิ่นก็เกิดจิตขึ้นมาลิ้นกระทบรสก็เกิดจิตขึ้นมางั้นเวลาเราพอนานในชีวิตประจำวันนะถ้าดูกายเราก็เห็นกายทำงานจิตเป็นคนสั่งถ้าเราดูจิตเราก็เห็นนะตาหูจมูกลิ้นกายมันกระทบอารมณ์แล้วจิตก็ทำงานใช่ อาศัยวัตถุนะอาศัยกายก็เกิดจิตนะมีตากับรูปกระทบกันก็เกิดจิตเกิดความรับรู้ทางตาหูกระทบกับเสียงทั้งหูทั้งเสียงเป็นตัวรูปจมูกกับกลิ่นเป็นตัวรูปลิ้นกับรสเป็นตัวรูปร่างกายกับพุทธะสิ่งที่กระทบกายเป็นตัวรูปก็ามีรูปกระทบกันจิตก็เกิดรูปกระทบกัน อย่างแรงทางตาและจิตที่เกิดที่ตาจิตไปเกิดที่ตาและจิตเกิดแล้วจิตก็ทํางานต่อถ้จิตรับรู้อารมณ์ทางตาแล้วจิตก็ทํางานต่อในการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจจิตกับใจก็อันเดียวกันแหละแต่ว่ามันทํางานต่างกันตรงที่กระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกวิญญาณตอนที่มันทํางานนั้นเรียกจิตนี่เป็นจิตขึ้นมา การที่มันไปรับรู้ธรรมารมม์เรียกว่าใจที่จริงก็คือจิตอันเดียวกันทั้งหมดจิตใจวิญญาณอันเดียวกันแต่ทํางานคนละเวลาคนละที่คนละบทบาทกันก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั่นเองถ้าไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสพลิตนภะัณฑธรรมารมม์ตรงๆให้เป็นวิญญาณถ้ากระทบธรรมารมม์ตรงๆเลยจริงมีชื่อเฉพาะเรียกใจเรียกมโน กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งกระทบทางใจมันพูดยากนะในใจเนี่ยมีทั้งมโนวิญญาณด้วยนะมีมโนเฉยๆด้วยมีหลายตัวเรียกหลายมันทํางานเหลื่อมกันนิดเดียวทํางานนิดเดียวงั้นเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณนะ์ก็ส่งสัญญาณเข้นมาที่ใจเกิดการแปลค่าแปลความหมาย ของสิ่งที่มากระทบนั้นก็แปลความหมายได้แล้วก็จะเกิดการตัดสินว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ชอบนี้ไม่ชอบขึ้นมาพอตัดสินแล้วก็จะแปลความหมายออกมาแปลเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างจิตเข้าไปสเสวยอารมณ์เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างพอสเสวยอารมณ์เสร็จแล้วนะก็หยุดการกระทบอารมณ์ภายนอกเริ่มเซฟข้อมูลเก็บสะสมเป็นวิบากไว้ จิจะเก็บข้อมูลจิต ท, ที่ทําหน้าที่เซฟข้อมูลเก็บเอาไว้ก่อนจะชนะัดดาวน์นี่ตถาลามพนัฐจิตเก็บข้อมูลลงไปทั้งดีและชั่วที่เราทำเราะนั้นเวลาทําดีใครเป็นคนทําจิตเป็นคนทําทําชั่วใครเป็นคนทําจิตเป็นคนทําก็มีจิตอีกดวงหนึ่งมาเก็บข้อมูลนี่ไว้แล้วสะสมลงไปก็มีจิตอีกตัวหนึ่งมาเก็บมาเป็นที่สะสมข้อมูลระวังคจิต แล้วเสร็จแล้วพอมีอะไรมากระตุน้นทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจนะจิตก็เคลื่อนออกจากฝังมีฐานข้อมูลเดิมติดตัวมาด้วยจะออกมาทำงานเวลาที่เราปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะถ้าเราจะดูจิตดูใจเราก็ให้ตาหูจมกูกลิ้นกายใจเนะี่ยกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติไม่ห้ามมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดไม่ใช่ฝึกไม่ให้คิดไม่ให้นึก หลายคนบอกว่าวิธีดูจิตก็คือปัดความคิดให้หมดเลยรู้ตัวอยู่เฉยๆรู้ตัวอยู่เฉยๆเป็นสมถะรู้ตัวเฉยๆเมื่อวานคือเมื่อสองสัปดาห์ น, นี้เป็นเทศที่ไหนจะไม่ได้ก็มีคนถามว่าเขารู้ตัวขึ้นมาจิตตื่นขึ้นมแต่มันรู้อยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาบอกเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้ จิตไม่ยอมเดินปัญญานะรู้สึกกายรู้สึกใจแต่รู้สึกทื่ททอๆอยู่นั้นไม่ไม่เดินปัญญาไม่เห็นใจรักษถ้าไม่เห็นใจรักนะเห็นกายเห็นใจจริงแต่ไม่เห็นใจรักษณ์ของกายของใจของรูปนามไม่ใช่วิปสัสนางั้นจะไปรู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ได้บางคนบอกว่าดูจิ ต, จตแล้วก็ไปรู้สึกตัวอยู่เฉยๆเอ้นี่เข้าใจการดูจิตผิดอย่างรแรงเลยหลวงปู่มั่นสอนหลงปู่ดุลดูจิตเขาไม่ได้บอกให้รู้ตัวอยู่เฉยๆ แท่นบอกให้รู้ว่าสัพเพสังคาราสัพพสัญญานิจจสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังคาราสัพพสัญญานัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาทําไมไม่มีทุกขามีอนิจจังแล้อนัตตาสังเกตไหมแปลกไหมในบทสวดมนต์ก็มีนะในบทธรรมวัตรเชา้ารูปังอนิจจังเวทนานิจจใช่ไหมแล้วก็รูปังอนัตตาเลยทําไมกระโดดขึ้นไปทิ้งทุกขังไป อันนี้เป็นคําสอนสําหรับพวกดูจิตว่าจิตจะแสดงอ น, นิจจังอนัตตาชัดถ้าดูกายกสอนทุกขังอนัตตาชัดจะดูได้ชัดงั้นอย่างหลวงปู่มั่นสอนให้หลวงปู่ดุลดูจิตหลวงปู่ดุลยังไม่ใช่พระอนาคานะตอนที่หลวงปู่มั่นสอนหลังๆเนี่ยชอบคิดกันว่าจะดูจิตได้ต้องเป็นพระอนาคาก่อนหลวงปู่ดูลเพิ่งพานาไม่นานเลยหลวงปู่มั่นก็สอนให้ดูจิต การดูจิตก็คือดูสังขารสัญญาเขาทํางานแล้วก็เห็นสังขารสัญญานะี่ยไม่เที่ยงนีที่จริงถ้าดูให้เต็มภูมินะมันยังมีอีกมีเวทนาคือความสุขทุกข์ทางใจขึ้นมาอีกตวงแล้วดูสุขทุกข์ทางใจด้วยก็ได้รวมแล้วก็คือดูเจตสิกธรรมทั้งหลายเจตสิก่งที่เรียกว่าเจตสิกก็คือธรรมที่เกิดประกอบจิต ทำให้จิตแต่ละดวงแต่ละดวงมีลักษณะที่แตกต่างกันจิตดวงนี้โกรธจิตดวงนี้โลภจิตดวงนี้หลงจิตดวงนี้เป็นกุศลจิตดวงนี้สุขจิตดวงนี้ทุกขจิตดวงนี้เฉยๆสิ่งเหล่านี้เข้ามาประกอบจิตดวงนี้มีปัญญาจิตดวงนี้ไม่มีปัญญาอันนี้เกิดจากองค์ธรรมที่มาประกอบจิตเจตสิกมันแตกต่างกันเจตสิกมี3ามอย่างนะเวทนาความรู้สึกสุขทุกขเฉยๆที่เกิดขึ้น แล้วก็สัญญาความจําได้หมายรู้จําได้อันหนึ่งนะหมายรู้อันหนึ่งนะจำได้เนี่ยจำข้อมูลแม่นอันนี้ข้อมูลตัวเดิมเคยเห็นแล้วพอนึกขึ้นได้ก็ชัดเจนเลยจำได้แม่นมีทั้งการจําชั้นเดียวการจำสองชั้นจำสองชั้นจําพวกสัญลักษณ์เห็นสัญลักษณ์อย่างนี้จำได้แล้วก็จําได้ต่อบไปว่าสัญลักษณ์นี้แปลว่าอะไรสอนเข้าไปอีกเห็นไฟเขียวรู้ว่าไฟเขียว รู้ว่าไฟเขียวว่าให้ไปได้เห็นไฟแดงรู้ว่าไฟแดงแล้วก็รู้ว่าให้หยุดหมายรู้หมายถึงว่าไปเจอของใหม่ที่ไม่รู้จักแต่อนุมานเอาจากข้อมูลเดิมอย่างเราบ้านเรามีแมวเลี้ยงแมวมาแต่เด็กเลยเห็นแมวนจับหนูได้วันหนึ่งไปเจอเสือเห็นหน้าตาคล้ายๆกันท่าทางคล้ายๆกันคงเป็นพวกเดียวกัน แมวมันกินหนูได้เสือมันงกินคนได้ตัวมนใหญ่นี่มันอนุมานนะสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลางๆไม่ดีไม่ชั่วหรือปรุงที่เข้าได้ทั้งชั่วทั้งดีมีหลายลักษณะนะปรุงดีเช่นอะไรเช่นศรัทธาวิริยะสติปัญญาปรุงชั่วเช่นโลภกรดหลงปรุงที่เข้าได้ทั้งดีและชั่วสมาธิ สมาธิเนี่ยเกิดจากจิตที่ดีก็ได้เกิดจากจิตที่ชั่วก็ได้มันเป็นของกลางๆเหมือนมีมีดเล่มหนึ่งจะไว้ช่วดคอคนก็ได้จะไว้ใช้ทําประโยชน์อะไรก็ได้ความผิดไม่ได้อยู่ที่มีดอยู่ที่ไอ้คนใช้มีดสมาธินี่เหมือนกันความผิดไม่ได้อยู่ที่สมาธิอยู่ที่ไอ้คนใช้สมาธิใช้ไปกับกุศลหรือใช้ไปอกุศลในสิ่งเหล่านี้มันเวียนขึ้นมาในจิตนะทำให้จิตแต่และดวงมีลักษณะแตกต่างกัน จิตที่โลภก็มีลักษณะอย่างหนึ่งจิตที่โกรธจิตที่หลงจิตที่สุขจิตที่ทุกข์มีลักษณะเฉพาะของตัวเองนี่เวลาเราเห็นสภาวะอย่างเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นเราทุกข์จิตมีความโกรธความโกรธดับนจิตก็ดับจิตที่โกรธก็ดับเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทนจิตที่รู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเกิดจิตที่โลภขึ้นมาแทนนี่มันจะวนไป เราดูความเกิดดับของจิตนะผ่านสิ่งซึ่งเกิดร่วมกับจิตว่าตัวจิตเองเนี้ยไม่มีร่องรอยให้เราดูเลยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่มีรูปร่างแสงสีไม่มีอะไรที่ดูได้ง่ายๆที่จริงจิตมีลักษณะเหมือนกันแต่ลักษณะของจิตดูยากลักษณะของจิตคือการรู้อารมณ์เนี่ยเราจะรู้ไปที่ตัวรู้อารมณนะ์จับมันยากแต่ความโกรธเนี้ยจับง่ายใช่ไหมความสุขเนี่ยจับง่าย งั้นเราดูความเกิดดับของจิตนิพพานตัวเจตสิกอีกท้งนั้นให้ตามองเห็นให้หูได้ยินเสียงให้จมูกได้กลิ่นให้ลิ้นได้รสให้กายกระทบสัมผัสให้ใจคิดนึกเมื่อกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขก็ให้รู้เกิดทุกข์ก็ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดโลบโกรดหลงให้รู้และก็จะเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งปวงเกิดล้ดับทั้งสิ้นก็จะเห็นจิตทุกชนิดเกิดแล้ดับทั้งสิ้นถึงจุดหนึ่ง จิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วดับจิตที่ดีจิตที่ชั่วเกิดแล้วดับทั้งสิ้นงั้นเราอย่าละเลยการปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะตามองเห็นหูได้ยินเสียงไม่ต้องหลบเลี่ยงไม่ใช่ว่าอย่าไปดูอย่าไปฟังอย่าไปคิดคําสอนชนิดว่าอย่าไปดูอย่าไปฟังอย่าไปคิดน้อมจิตให้ว่างไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้า พิสูจทั้งหลายเธอจงดูโลกอันงดงามวิจิตดุจราชรสรงของพระราชาที่คนเข่าพากันติดอยู่แต่ผู้รู้ไม่ติดข้องให้ดูแล้วไม่ไม่ใช่แม่อย่าไปดูมีก็ดนะูแต่ดูแล้วก็ต้องประเมินตัวเองถ้าดูแล้วกิเลสมันแรงมากสู้มันไม่ไหวก็เลี่ยงมันก่อนอย่างเรามีตาเนี่ยเราลืมตาขึ้นมาเราเห็นสาวสวย เ, ยเราไม่ได้เจตนาจะเห็นอย่างนี้ไม่เป็นไรนะ เห็นปุ๊บจิตมีราคาเราดูทันแต่ถ้าวันวันวันะเที่ยวเดินหาสาวสวยมาดูนะดูรูปสาวสวยทั้งวันนีน้อมจิตไปอย่างนี้นะอย่างนี้สติไม่เกิดแล้วมีแต่ราคะเกิดสู้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นบางทีท่านบอกให้สัมรวมสัมรวมไม่ใช่แปลว่าไม่ดูสัมรวมหมายถึงว่าไม่แสสายไปดูแต่ถ้ามันเห็นให้มีสติไว้เนี่ยการปฏิบัตินะ ไม่ใช่ไม่ดูไม่ฟังถ้าไม่ดูไม่ฟังแล้วบรรลุเร็วนะคนหูหนวกตาบอดก็บรรลุก่อนทำไมท่านถือว่าคนหูหนวกตาบอดนะถ้าเป็นมาแต่เกิดนะเป็นอาภัพพระบุคคลเลยนะคือภาวนาไม่ได้ว่าใบบอดหนวกมาแต่กำเนิดถือเป็นอาภัพพบุคคลภาวนาไม่ได้เพราะอะไรเรียนไม่ได้ไม่เคยฟังทมเลยอ่านก็ไม่ได้ฟังก็ไม่ได้นี่จะไปรู้เรื่องได้ไงไม่รู้วิธี แั้ไม่ใช่ว่าไม่ดูเราดีไม่ฟังเราดีนะแต่ให้ดูด้วยความสำรวมให้ฟังด้วยความสำรวมมันนั่นแหละเรียกว่าเราจเจริญสติจเจริญปัญญาอยู่ในชีวิตจริงๆของเราถ้าไม่มีความสำรวมก็เที่ยวแส่สายหารมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรื่อยๆไปเงั้นฟุ้งซ่านถ้าสำรวมหมายถึงว่าไม่ได้เจตนาจะเห็นมันเห็นนะไม่ได้เจตนาจะได้ยินมันได้ยินนะ่ะไม่ได้เจตนาจะคิดมันคิดนะนะไม่ใช่ไปหลงมันนะมันมันขึ้นมา ตาหูจมูกลิ้นกาจใจกระทบโดยไม่ได้เจตนาแต่กระทบแล้วเรามีความสำรวมเพื่อมีสติไว้เห็นสาวสวยให้มาจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคานี่เรียกว่าสำรวมนะเห็นหมาบ้าวิ่งมานะจิตขยักขยแงะหามาขี้เลื้อนก็นแล้วกันหมาบ้านนะ้นต้องน่ากลัวนะเห็นหมาขี้เลือนจะมาสีเรานะขยักขยแงะให้รู้ว่าขยักขยแงนะให้รู้ทันจิตใจ ส่วนเมารู้แล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรก็ใช้เหตุผลเรากําลังแต่งชุดราตรีสวยงามจะไปงานดินเนอร์แล้วนะงหมาขี่เลือนน้ําเหลืองเยิ้มจะมาสีเราเราก็ต้องไม่ให้สีสิใช่ไมเพราะฉะนนเอาชุดราตรีเปื้อนน้าเหลืองหมาเข้าไปใครเขาจะไปคุยด้วยก็ <c oughs> <c oughs> ใช้เหตุใช้ผลนะเพราะนการปฏิบัตินะยืดเดินนั่งนอนกินเดิมทําพุดคิดมีสติไว้ ถ้าทางกายก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดใจเป็นคนสั่งนะกายไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเครื่องมือที่ใจไปสั่งเข้าท่านั้นเองไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าดูจิต ด, ดูใจก็เห็นให้ตาหูจมูกเล่น ใ, ใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ไปก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไปทุกอย่างบังคับไม่ได้ทางใจนะจะเห็นเกิดดับแล้วบังคับไม่ได้เงอนใจอนิจจังแล้วต่อไปอนัตตา ธรรมะทางใจนี่มีตัวทุกข์ไหมมีแต่ดูยากที่สุดเลยคนที่จะเห็นตัวนี้ได้นะส่วนใหญ่ต้องทรงฌานแล้วเวลาทำสทงครามแตกหักในบาลาสุดท้ายที่จะข้ามพบพข้ามชาติเนี่ยจะเห็นจิตเป็นทุกข์เรื่อนพวกที่บรรลุพระอรหันต์เนี่ยมีสามจำพวก คนพื้นๆทั่วๆไปมีศรัทธามีอะไรเงเห็นอนิจจังก็ยอมปล่อยวางจิตพวกทรงฌานนะเขาเห็นจิตเป็นทุกข์ถึจะปล่อยวางจิตพวกทรงปัญญาแก่กล้าเห็นจิตเป็นอนัตตาแล้วปล่อยวางจิตเห็นเพียงมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นเองแต่ในขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยไม่ค่อยเห็นหรอกว่าจิตเป็นตัวทุกข์ยิ่งถ้านทรงฌานนะจะเห็นว่าจิตเป็นตัวสุขสุขมหาศาลเลย แต่ว่าจิตแสดงความไม่เที่ยงตลอดเวลาแสดงความเป็นอนัตตาตลอดเวลาดูตัวเนี้ยจะดูง่ายดูตัวทุกข์จะดูยากยิ่งจิตทรงสมาธินี่ดูตัวทุกข์ยากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นข้ามพบข้ามชาติลำบากนิดหนึง่งพวกไปด้วยปัญญาเร็วที่สุดนะพวกไปด้วยสมาธิเนี่ยปานกลางพวกไปด้วยวิริยะความเพียรอดทนทำเอาตะบีตบันทำ ใ, ใช้เวลานานที่สุด เงี้ยพระพุทธเจ้าเองยั ง, ยงมีสามจำพวกพุทธเจ้าที่เป็นปัญญาธิกะอย่างพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เดินด้วยปัญญาแต่แล้วท่านก็สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าบางองค์เป็นสมาธิกะพระเจ้าปัญญาธิกะเนี่ยบำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยแสนมหากรับพระเจ้าสมาธิกะเนี่ยบเพ็ญบารมีแปดอสงไขย อ, อีกเท่าหนึ่ง แปดเอาส่งไขแสนมาหักกับพุทธเจ้าวิริยอาทิกะใช้เพียรแนว16บหกมาส่งไข่แสนาหักกับนิพพาเสียริยะเมตรัยเนี่ยเดินมาด้วยวิริยอาทิกะเป็นพวกวิริยะทนเอาภากเพียนครว้าทนนอาฉะนันใช้เวลานานคนรุ่นหลังไม่เข้าใจนะว่าทำไมพุทธเจ้าของเราสตาร์ททีหลังถึงก่อนไปแต่งนิยายว่าพุทธเจ้าไปขโมยดอกบัว เคยได้ยินไหมเรื่องนี้ก็ว่อดอกบัวจะเป็นพุทธเจ้าได้ยังไงใครไม่เคยได้ยินไม่เคยเลยเหรอก็อบอกว่ามีพี่น้องกันห้าองค์ใช่ไหมแล้วก็เสียงทายดอกบัวว่าใครจะบรรลุเป็นพุทธเจ้าก่อนกันพุทธเจ้าห้าองค์ในกลับของเราเนี่ย พระกัจกรสันโธโกนาคมโนโโกโัสโปโคตโมของเราสี่ระยะพระเมตไยโยไม่มีคําว่าสีร่ระยะพระเมตไยโยคนไทยมาเรียกสีร่ระยะเมไตไทรตเติมให้เพราะๆพระเมตไตรนี่อธิษฐานแล้วบอกว่าดอกบัวของพระเมตไตรบานก่อนดอกบัวพระโคดมนะแต่พระเมตไตรเผอพระโคดมเลยสับดอกบัว เลยได้ตัดสู้ก่อนดูเอาใจชั่วๆไปคิดขึ้นมาได้อย่างไง <laughs> แต่ไม่ว่าท่านจะเดินยังไงนะสุดท้ายท่านสมบูรณ์ท่านสมบูรณ์หมดบา ร, รมีท่านเต็มนะพวกเราไม่ต้องสร้างบา ร, รมีมากขนาดนั้นหรอกเราเป็นสาวกเรามีศีลห้าทุปันทำในรูปแบบนะฝึกจิตใจให้อยู่กันเนื้อกับตัวจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้จิตจะอยู่กับตัว เวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตจำวันไปถ้าทําตรงนี้ได้มากก็จะผ่านได้เร็วนะมีพวกพระนะเคยถามหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อเป็นโยมนะถามว่าโยมทําได้ไงอะ่ะนะโยมทําปีสองปีนะพระใช้เวลาสิบปียี่สิบปีได้ไม่เท่าโยมเราบอกเราทําทั้งวันที่จริงคือเจริญสตินั่นเองนะเจริญสติทั้งวันเลยทในรูปแบบเท่าที่มีกาลัง แต่ว่าทําทุกวันแหละในรูปแบบไม่ได้ทํามากในขณะที่พระวันวันนั่งแต่สมาธิเดินจงกรมทําใจให้สงบนี่พวกสมาธิกะยังไงก็ช้ากว่าเราแหลยนะยังไงก็ช้ากว่าเราเราไม่ได้ขโมยดอกบัวท่านซะหน่อย <c oughs> งั้นเราอย่าทิ้งนะถือศีลห้าไว้ทุกวันแ บ, บ่งเวลาไว้สักสิหนาทียีนาทีทําในรูปแบบเป็นการฝึกซ้อมให้จิตมีพลังจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ไป แล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเจริญสตนะิเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดใจเป็นคนดนะูตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดสุขทุกข์ดีชั่วหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงขึ้ น, นมาคอยรู้ทันนี่ก็ดูจิต ด, ดูใจนะถ้าทำได้ก็ได้ผลเร็วหรอกเพราะว่าขยันภาวนาถ้าทำแต่ในรูปแบบไม่เจริญสติในชีวิตประจำวันใช้เวลานานนะเอาไปกินข้าวไปการกินข้าวก็คือการ เจริญสติในชีวิตประจำวันนะาการเข้าห้องน้ำไม่ละเลย